ทอนี้ไปพึงพากันตั้งใจให้ดีเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ทำความเพียรทาง จ, จิตใจคนทั้งคนเขามีใจดวงเดียวเท่านี้แหละเป็นแก่นสารแต่ว่าใจรวงนี้มันไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกาย มันเป็นนา ม, มาธรรมเป็นธรรมที่ไม่มีโลปร่างเพราะฉะนั้นคนมันจึงไม่รู้จกักจิตตัวเองจึงได้ปล่อยให้จิตในคิดสร้างไปทั่วสร้างกิเลสตัณหาให้เกิดขึ้นในใจมากมายก็เพราะไม่รู้จกักจิตนี้เองเนี่ย อาผู้ใดรู้จั ก, กจิตนี้แล้วห้ามจิตนี้ได้แล้วมันก็ไม่ได้สร้างเหตุแห่งทุกข์ให้เกิดมีขึ้นในตนเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระอระหันต์ทั้งหลายท่านรู้จิตดวงนี้ดีแล้วถ้าก็ควบคุมจิตนี้ไว้ ไม่ให้ยึดถือสิ่งใดใดทั้งหมดในโลกจิตนี้เมื่อฝึกดีแล้วให้ตั้งมั่นดีแล้วมันก็ไม่ไปหลงไหลไปเกาะไปคล้องกับสิ่งใดใดในโลกนี้เพราะว่ามันก็มองเห็นนี่เมื่อมันสงบลงไปแล้วมันมองเห็นว่า ไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารไม่มีอะไรที่คนจะมาพึ่งพาอาศัยได้ตลอดไปมันมองเห็นชัดเจนเหมือนอย่างบุคคลอยู่ในเรือนแล้วก็มองดูเรือนที่ตนอาศัยอยู่ มองดูทุกส่วนของเรือนแล้วไม่มีอะไรเป็นของตนสักอย่างเดียวจะพูดแล้วบ้านเรือนก็มีแต่ธาตุดินเท่านั้นเองเครื่องเรือนทุกอย่างเป็นธาตุดินพี่นะเห็นอย่างนี้แล้วจิตมันก็ไม่คล่องอยู่ในเรือนนั้น มันจะเห็นลงว่าเพียงแค่เป็นสถานที่อาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองร่างกายอันนี้มันก็เปรียบเหมือนเรือนนั่นเองร่างกายอันนี้ก็เปรียบเหมือนเรือนนั่นแหละเป็นที่อาศัยของดวงขิตส่วนอาคารบ้านช่องภายนอกเป็นที่ อาศัยของร่างกายร่างกายเป็นที่อาศัยของดวงจิตดวงจิตนี้ได้มาอาศัยร่างกายนี้แล้วก็ยังไม่พอต้องมีสิ่งที่ะระลึกไปมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวถ้ า, าก็าใจนี้ไม่ได้ฝึกฝนให้มัน ยึดเหนี่ยวในทางที่ดีในสิ่งที่ดีมันก็จะไปยึดไปเกาะในสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกอยู่เป็นชอบใจสิ่งใดก็มักจะไปเกาะไปคล้องอยู่กับสิ่งนั้นอันนี้หมายถึงจิตที่ไม่ได้ฝึกถ้าจิตที่ได้ฝึกดีพอสมควรอย่างนี้ มันก็จะมีสติโน้มเข้าไปวควบคุมจิตภายในให้มันหยุดริ่งไปสักพักหนึ่งเมื่อห้ามจิตให้หยุดลงได้แล้วก็จึงค่อยพิจารณาดูสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ตนอาศัยอยู่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยง สิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือร่างกายนอกร่างกายออกไปก็วัตถุสิ่งของอะไรต่ออะไรภายนอกนั่นเดี๋ยวเป็นสิ่งแวดล้อมอันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตผูกพันอยู่เพราะไม่รู้แจ้งทำเป็นจริงมันสำคัญว่าจะเป็นของเราของเขา อยู่อย่างนั้นมันไม่ทวนกระแสะจิตกลับเข้ามานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำสมาธิเนี่ยหมายความว่าให้ทวนกระแสะจิตกลับเข้ามาภายในอย่าส่งกระแสะจิตออกไปภายนอกไปเที่ยวเาะเที่ยวข้องอยู่กับอะไรต่ออะไรมัน จะหนีจากสงสารนี่ไปไม่ได้ถ้าบุคคลส่งกระแสจิตไปเกาะไปคล้องอยู่มันไปคล้องอยู่กับอันใดเมื่อมันละไม่ได้จนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตเมื่อจิตละจากร่างอันนี้ไปแล้วมันก็ไปผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นมันจะไปเกิดที่อื่น ที่มีความสุขความเจริญยิ่งกว่านั้นไปไม่ได้เพราะว่ามันอาศัยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละมันเป็นเหตุให้ไปเกิดที่สุขสบายไม่ได้ตลอดถึงพระนิพพานก็บรรลุไม่ได้เพราะว่าจิตมันคล้องอยู่นี่ขอได้พากันพิจารณาดู ให้มันรู้มันเห็นกันด้วยตนเองคนเรา ถ, ถ้าหากว่าไม่รู้ไม่เห็นกันด้วยตนเองแล้วมันก็ไม่เชื่อไม่ทําตามไม่อยากพ้นไม่อยากหลุดไปจากโลกนี้โดยมองเห็นว่าโลกนี้สวยงามน่าอยู่น่าอาศัยเข้าใจผิดไป ความจริงโลกคืออัตภาพร่างกายก็ดีสิ่งที่เนื่องอยู่ในร่างกายนี้ก็ดีมันก็รวนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทั้งนั้นถ้าหากว่ามันเที่ยงมันยั่งยืนร่างกายอันนี้มันเกิดมาก็ไม่จำเป็นต้องหาเลี้ยงมันไม่จำเป็นต้องหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงมาบำรุงมัน แต่นี่ก็เพราะมันไม่เที่ยงมายังยืนนี่แหละมันจึงได้หาอาหารผ้าหนุ่งผ้าโฮมสร้างที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัไคยไข้เจ็บต่างๆมูนี้มาบำรุงร่างกายอันนี้มันจึงพออยู่ได้ถ้าขาดการบำรุงด้วยปัจจัยสี่นี้แล้ว ร่างกายอันนี้จะอยู่ไม่ได้เลยเหี่ยวแห้งแตกดับทำลายไปนี่แหละมันสอดแสดงให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงก็ไม่จำเป็นต้องบำรุงมันให้ถอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้อา้าวถ้าอย่างนั้นจะบำรุงมันไว้ทำไมก็ปล่อยให้มันแตกดับไปเสียมันจะดีหรือ มันจะไม่เป็นทุกข์เพราะหาเลีย้ยงมันบางคนก็อาจจะเกิดความคิดเห็นอย่างนี้ขึ้นมาก็ได้ความจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีสิ่งที่ควรและไม่ควร ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นอย่างเดียวกันไปทั้งหมดาหาไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ดีพระอระหันต์ก็ดีที่ว่าท่านรู้จริงเห็นแจ้งในทางของจริงนั่นก็หมายถึงรู้เหตุรู้ผลนี่แหละรู้ความจริงของชีวิตตามเป็นจริง ชีวิตนี้เป็นมาอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรพระองค์รู้แจ้งหมดชีวิตนี้เป็นมาด้วยเหตุด้วยปัจจัยไม่ใช่มันเกิดมาลอยลอยพระพุทธเจ้ากระชงตัดพาสิตธไว้ว่าสเพสตากรรมสรรากกรรมทายาธาเป็นต้น แปลว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของออตนตเป็นผู้รับผลของกรรมที่ตนกระทำนั้นๆตนทำดีก็จะมีความสุขเป็นผลถ้าตนทำชั่วก็จะมีความทุกข์เป็นผลพระองค์ทรงรู้แจ้งประจักษ์ด้วยพระปัญญาอันยิง่งไม่ใช่ว่ามันเกิดมาโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย ถ้าถ้ามันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอย่างนี้คนเกิดมาในโลกนี่มันก็เหมือนกันหมดสิเป็นสุขก็เป็นสุขด้วยกันทั้งหมดถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ด้วยกันทั้งหมดนี่มันหาเป็นเช่นนั้นไม่ชีวิตนะมันยิ่งมันย่อนัวกกันก็เพราะเหตุว่าการกระทานี้ไม่เหมือนกันไม่เท่ากัน บางคนก็ทําดีมากทําชั่วแต่น้อยบางคนก็ทําชั่วมากทาดีแต่น้อยอะไรพวกนี้นะบันี้กรรมนี่มันยุติธรรมใครทําดีมากกรรมดีมันก็อํานวยผลให้เป็นสุขมากมีอายุยืนอมีรูปสวยรูปงามใครทําดีน้อย มันก็อำนวยผลให้เป็นถูกตามน้อยผลทุกวันนี้อายุสัน้นกเพราะอะไรนะเพราะว่าบุญน้อยตั้งแต่ชาติก่อนนั่นทำบุญมาน้อยทำบาปมาติดตัวมาบาปมันก็มาตัดรอนเอาชีวิตนี่ให้สั้นเข้าดูตั้งแต่มนุษย์เรานี่ยนะ เบียดเบียนกันอยู่ในโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นะอืมฆ่ากันทุกวันเลยไม่มีเว้นสักวันเดียวเมื่อเราคิดถั่วทั่วประเทศนี่หลายศพทีเดียววันหนึ่งวันหนึ่งแล้วอย่างนี้จะมาให้กำเวิมันตามสนองอย่างไรเล่านั้นเองรพอเกิดมาแล้วอายุ ไม่ทันถึงอายุไขกรรมเวีนั่นมาตัดรอนเสียให้ตายแต่ยังเล็กยังน้อยบ้างตายแต่วัยหนุ่มวัยสาวบ้างวในวัยกลางคนบ้างไว้แก่บ้างอืไอ้ผู้ที่ถึงอายุไขแล้วจึงตายนั่นเนี่ว่าไม่มีกรรมอะไรมาตัดรอน แต่คนที่ตายไนยังหนุ่มยังสาวนี่สิอันนี้แหละท่านเรียกว่ามันมีกรรมมาตัดรอนอุปคาตกรรมกรรมตัดรอนทำให้อายุสั้น ม, มากรรมเหล่านี้มันก็ได้แก่การเบียดเบียนซึงกันกันนั่นแหละทำลายล่างผลาญชีวิตของกันและกัน กรรมนั้นมันจึงตามสนองเอามันมีเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแทงตลอดผู้ใดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้สมมติว่าในชาตินี้อย่างนี้อธิษฐานใจละเว้นจากการเบียดเบียนทั้งมวลเอาละในชีวิตนี้เราจะไม่เบียดเบียนใคร เราจกเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันแม้จะยากลาบากอย่างไรเราก็จะไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนด้วยความสัตว์ความจริงอันนี้บาปกรรมอะไรที่ข้าพเจ้ารุมหลงกระทามาเพราะการเบียดเบียนก็ขอให้บาปกรรมอันนั้นมันหมดไป สิ้นไปจากกิตใจของข้าพเจ้าอย่าได้ติดตามไปต่อไปอีกเลยเพราะคนเรานี่เกิดมานี่มันต้องได้ทำบาปอย่างไรอย่างหนึ่งเช่นฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์เถือเอาสิ่งของผู้นั้นเป็นของตนบ้างประพฤติผิดมิตรช้าจานกรรมไปทำาช่กับภรรยาหรือสามีของคนอื่นบ้าง พูดโกหกพกลมพูดคำหยาบโลนต่อกันแลยกันพูดสอเสียดให้คนแตกราวสามัคคีกันดังนี้แหละพูดโกหกพูดคำไม่จริงเรื่องไม่จริงเมื่อโกรธใครมาหรือว่าเกลียดใครมาก็คิดเจตนาในใจว่าจะ พูดให้มันเสียทรัพย์เสียสินไม่ให้มันได้ดิบได้ดีเมื่อเจตนาอย่างนี้ลนะ้วก็ปั้นเรื่องไม่จริงพูดให้เขาเชื่อให้เขาหลงไปสู่ทางที่ผิดนั่นท่านเรียวกว่ามุสาวามเจตนาพูดมันถึงเป็นนะถ้าพลังเผลอไป และจึงรู้ภายหลังว่าเรื่องเรื่องที่เราพูดไม่จริงอย่างนี้ไม่เป็นโทษเพราะไม่ได้เจตนาขอให้เข้าใจสินข้อนี้นะบางคนก็ชอบดื่มสุราเมรัยกัญชา ย, ยาฝิ่นเฮโรอีนชอบสุบุรีหมดวันละสองสองสองนูน่นของเหล่านี้มันเป็นของเสพติดให้โทษ ไม่ใช่มีคุณแม่แต่น้อยเดียวมีแต่โทษร่นร้วนโทษในปัจจุบันก็ตัดทอนสุขภาพทางร่างกายลงอของเส็บติดอะไรไปทำลายอวัยวะภายในให้เสื่อมคุณภาพลงบางคนนะผู้หญิงนี่ก็ชอบสูบบุหรี่ไม่ใช่ย่อยบางคนนะอ่ะมันเป็นอย่างนั้น เดียวก็น่อยหนึ่งก็เกิดโลกปอดขึ้นมามันไม่มีดีอะไรของมันเนี่ยคนมันชอบมันติดกลิ่นติดรสของมันเท่านั้นเองอผู้พิจารณาผู้ภาวนาทำใจให้สงบแล้วย่อมมองเห็นว่าของเสพติดทุกอย่างไม่ควรบริโภคเลย เขาไม่มีคุณแม้แต่น้อยเดียวมีแต่โทษ ธ, ธรรมดาผู้รู้ทั้งหลายนั่นแหะเมื่อท่านรู้ว่าสิ่งนี้เป็นโทษแล้วท่านจะเว้นเลยไม่ไม่เกี่ยวข้องไม่บริโภคไม่ใช้ซ้อยเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้มีคุณมีประโยชน์ตนและผู้อื่นก็จึงค่อยทําลงไปจึงค่อยพูดไปบรรดาผู้รู้ทำทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้น ไม่ยอมรู้อำนาจเก่ตันหาตันหามันจะจูงใจให้ทําไปในทางที่เป็นบาปเป็นโทษทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าไม่ไปตามตันหานั้นยับยั้งตันหาได้โดยสมาธิด้วยปัญญาอย่างนี้แหละผู้ปฏิบัติธรรมนะขอให้เข้าใจการที่ พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้พุทธบริษัทปฏิบัติธรรมก็มุ่งเพื่อจะเอาชนะตัณหาอันมันจะจูงใจทำความชั่วต่างๆดังกล่าวมานั่นนะเพื่อให้ใจมีกำลังทำกุศลคุณงามความดีให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปในตนให้ห่างไกลจากความชั่ว ริง่งทีเดียวเมื่อใจเราชอบความดีมากเข้าไปแล้วมันก็ทิ้งความชั่วไว้เบื้องหลังไม่สร้างไม่ทำมันต่อไปอีกแล้วบางคนก็ว่าขาดต่ออาชีพถ้าจะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้กินอะไรอย่างเช่นค้าขายนี่ไม่โกหกมันก็ไม่มีกำไรอ่ เขาว่านะอันนี้เป็นคนที่ไม่มีเงินมีทองมากจะไม่ให้ไปหาเนื้อหาปลาโดยลำพังมาปรุงอาหารรับประทานกันก็ไม่มีเงินจะซื้อจำเป็นมันต้องเดยไปฆ่าสัตว์ชีวิตมลามันหาข้ออ้างอย่างนั้นนะคนเรานะ มันถึงรักษาสินไม่ได้นั่นนะถ้าคนมีปัญญาเขาไม่เขาไม่อ้างอุปสรรคหมู่นั้นเลยอุปสรรคอันใดมันจะเป็นเหตุให้ทำบาปทำชั่วเรามันต้องใช้ปัญญาหาทางหลีกเว้นแม้ว่าเมื่อเราทำในสิ่งที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษนั่น มันจะขัดต่ออาชีพต่อการนำมาหาเลี้ยงชีพอยู่บ้างผู้มีปัญญาทั้งหลายมันก็ยอมจนกรอกง่ายๆเพราะว่าการงานในโลกนี้ที่ปราศจากโทษก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าการงานทั้งหลายนั่นทำลงไปอันใดจะเป็นตบาปแต่โทษทั้งหมดไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าเช่นนั้นพระโสดาบันในครั้งพระพุทธเจ้านี่ยนะท่านก็เป็นไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นพระโสดาบันแล้วนี่ยังครองเรือนอยู่ก็มีออกบวชก็มีผู้ครองเรือนอยู่ท่านก็ไม่ทาบาปเพราะเพราะพระโสดาบันเป็นผู้มีปัญญาแล้วเห็นแจ้งในบาปบุญคุณโทษตามเป็นจริงแล้วบาปนั้นกระทันหกละ หมดแล้วไม่มีปัจจัยอนไดที่จะทำให้ท่านไปทำบาปทำกรรมอันชั่วไม่มีท่านละหมดแล้วแม้จะยากลำบากอย่างไรจะไม่สมบูรณ์คุณสุขเหมือนอย่างคนที่ทำบาปหรือมีเงินทองมากมานั้นก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เดือดึไม่เดือดร้นร้อนใจ เพราะว่าใครจะมีเงินทองมากเท่าไรจะได้อยู่ดีกินดีเท่าไรก็มันไม่เห็นพ้นจากความตายบางคนมีเงินมากๆเสียอีกอายุสั้นซ้าไม่ทันถึงอายุไขก็ตายแล้วบางคนเป็นคนจนไม่มีเงินทองเครืของอะไร ต่ใช้ใจรู่หลาเหมือนยังคนรวยหาผักหาไม่เลยมารับประทานกันมีอายุยืนตั้งร้อยขวาปีก็มีเนี่ยอย่างนี้้วมันเพราะอะไรล่ะก็เพราะบุญกรรมแต่และคนสร้างมาไม่เหมือนกันนะผู้อายุยืนแต่ว่ายากจนคนแค้น นี่แต่ชาติก่อนเขาก็เว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าการทําบุญให้ทานนั้นมีน้อยไม่มากอเขาเกิดมาชาตินี้จึงทรัพสมบัติก็จึงไม่มีมากแต่มีอายุยืนยาวนานปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะอานิสงส์ที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ น, นั่นแหละเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย มันทำให้คนเรามีอายุยืนยาวนานและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนี่ลงพิสูจน์ดูอ่ะคนเราอ่ะนั่นเนี่ยมันมันแตกต่างกันจริงๆนะบางคนอนะ่ะมีเงินทองเข้าของมากมากมาเอาเยอยไม่ไม่ทันเท่าไหร่ถูกฆ่าตายแล้วอย่างนี้นะมีอยู่ทมไปทัวันเนี่ย แต่บางคนผู้มีบุญมากนั้นมีเงินทองมากมายกายคลองแล้วก็มีอายุยืนด้วยปัจเจกจากโรคภัยกับเจ็บด้วยอันนี้ก็เพราะว่าผู้นั้นแต่ก่อนมันไม่เบียดเบียนใครนีแต่ทําบุญให้ทานเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลแก่คนยากคนจนไปวันนี้เกิดมาชาตินี้อา น, นิสงส์อ น, นั้น มันก็ตามมาให้ผลทำให้มีร่างกายสมบูรณ์พสุกมีอายุยืนยาวนานเพียบพร้อมบอริรโภคะสมบัติต่างๆหมดนี้นะนี่แหละชีวิตของคนเรามันเป็นมาด้วยเหตุด้วยปัใจอย่างนี้องค์สมเด็จพระพุทธภาคเจ้ า, าทรงรู้แจ้งแทงตลอดในยามที่สองคือตอนเที่ยงคืน ทรงรู้แจ้งความเกิดความเป็นไปหรือความสุขควา ม, วามทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายโดยแจมแจ้งด้วยพระปรีชาญาณดังนั้นเมื่อพระองค์เจ้าได้ตรัสรู้แล้วระองจึงสทศนายกกรรมคือการกระทานี้ขึ้นมาแสดงให้คนได้ตื่นตัวได้รู้ตัวว่า ตนจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั้นไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนนท์มาดลบรรดาให้โดยตนได้บวงสรวงอ่อนวนอนบวงสรวงด้วยเนื้อสัตว์ต่างๆหมนี่ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นมาอำนวยให้ถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มี ในโลกอันนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าว่าในทางธรรมปฏิบัติแล้วได้แก่ความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงที่ท่านเรียกว่าอริยสัจจะทำทั้งสี่นั้นแหละเรียกว่าธรรมของจริงหรือของศักดิ์สิทธิ์เขาเมื่อผู้ใดรู้ธรรมของจริงทั้งสี่ประการนั้นแล้วผู้นั้นไม่มีทุกข์ มาสด้ จ, จากทุกทางใจเช่นบุคคลรู้แจ้งในทุกข์หมายความว่าเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นทุก์รู้เท่าตามเป็นจริงไม่เสียใจเวลามันมวิบัติดขัดข้องลงไม่ดีใจเพลิดเพลินในเวลามันอยู่ดีกินดีมีปกติสุขก็ไม่หลงไม่เพลิน รู้เท่าอยู่ว่าความสุขเหล่านี้มันจะไม่ยั่งยืนเมื่ออยู่ไปมันก็แปรปวนไปในที่สุขก็แตกดับเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วก็จึงไม่ดีใจเพราะว่ามีร่างกายอันสมบูรณ์พูนสุขอย่างว่านั่นก็ไม่ดีใจไม่หลงไม่ลืมตัวก็ยังภาวนาเห็นว่ามันจะแตกเกิดดับอยู่นั่นแหละ ถึงวันนี้มันไม่แจกก็ดับไม่ดับวันหน้าหรือปีหน้าหรือปีต่อไปมันต้องดับแน่นอนหลีเกเลี่ยงไม่พ้นเลยมเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่หวั่นไหวในทุกข์เพราะรู้เท่านี่ว่าขันห้านี่คือก้อนทุกข์ทั้งก้อนเลยเมื่อรู้เท่าทุกข์ก็สาวหาเหตุแต่งทุกข์ อะไรเป็นเหตุให้มาเกิดเป็นลูกเป็นนามนี่ขึ้นว่าท่านๆก็ได้แก่ตัณหาอาวิชชาหรือตัณหาอุปาทานนั่นแหละเมื่อความอยากปีแล้วมันก็ยึดถือในสิ่งที่มันอยากอยากนั่นแหละไม่เห็นโทษของความยึดถือการยึดถือในสิ่งที่มันต้องการปรารถนานั่นน่ะเป็น เป็นปัจจัยให้เทียวเกิดอีกพอเมื่อมันอยากได้ไนมรนก็ลงมือทำเสวงหาการทำการเสวงหาร้อดโดยจิตใจยึดถือนั่นและเป็นตัวกรรมพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านละความอยากคือตัณหาได้แล้วท่านทำอะไรก็สักแต่ว่าทำไม่มีผลตามตอบสนอง ไม่เหมือนอย่างคนธรรมดาสามัญทำการงานคนธรรมดาสามัญ น, นี่มันมีกิเลสแทรกอยู่ในหัวใจเจตนาทำอะไรก็หวังผลกับอันนั้นอย่างนี้เนี่ยเหมือนอย่างพูดจัางตรงไปตรงมานะบางคนเนี่ยไปนับถือพระ เข้าใจเาพระนั้นรู้วัดรู้เบออ์เขาให้นับถือเอาวัตถุศรยธรรมไปถวายหวังว่าท่านจะบอกตัวตรงตัวจริงให้อะไรหมดนี้นะทีนี้เมื่อพระท่านไม่บอกให้แล้วก็เอาแล้วโกรธพระแล้วไม่พอใจกับพระหรือว่าถ้าพระท่านบอกตัวเลขให้เราไปซื้อแล้วมันไม่ถูก อาก็โกรธพระอีกแล้วหาว่าพระนี่หลอกลวงไม่จริง เ, เลยได้บาปทั้งขึ้นทั้งล่องอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนเราทำการงานมันแทรกอยู่ด้วยความอยากมันเอาความอยากออกัออกหน้าผู้ดใดเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วจะไม่เชื่อสิ่งศักดิ์ิ ต่างๆจะไม่เชื่อโชคลางสตาลาร์สีเชื่อการกระทำของตัวเองเมื่อตนทําดีก็ได้ดีนะทำชั่วก็ได้ชั่วความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจากการกระทําเช่นความทุกข์ควมวิบัติแปรปวนของร่างกายในปัจจุบันนี้รักษาอย่างไรอย่างไรก็ไม่หายอย่างนี้นะ มันก็เป็นผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวทํามาแต่ก่อนนะั่นมันตามมาทันเมื่อใดมันก็ให้ผลเมื่อ น, นั้ น, นการกระทําของตัวเองแต่ในภาษาบาลีท่านเรียกวกรรมถ้าว่าเป็นภาษาไทยเราเรียกว่าการกระทําอืมอเปงงั้นเพราะนั้นทุกคนเราต้องเชื่อต่อการกระทําของเราเองเมื่อเราทําปดีไปเรื่อยไปแล้ว มันก็มีแต่ความเจริญเท่านั้นแหละชีวิตนี้นะเจริญด้วยบุญด้วยกุศลแต่บางคนทําความดีไปชีวิตนี้ก็ยังถึงความวิบัติอยู่ก็เลยเกิดความเข้าใจผิดว่าเนี่บุญนี่เห็นจะช่วยเราไม่ได้แล้วแหละทําทบุญกุศลมันทลายยิ่งเก็บยิ่ง พ, พุ้ยเพราะว่าเลยหยุดทําบุญเสียก็มีบางคนนะ อันนั้นเนี่ยว่าเข้าใจผิดไปมุนนะ่ะมันจะไปมาลบล้างผลของบาปกรรมไม่ได้เลยมันลบล้างไม่ได้บาปกรรมที่ตนทามาแต่ก่อนเมื่อมันได้โอกาสมันให้ผลเวลาใดแล้วไม่มีอะไรลบล้างได้เลยมันย่อมให้ผลไปจนหมดเขตของมัน นั่นแหละมันจึงระงับไปดังนั้นผู้รู้อย่างนี้แล้วท่านจึงไม่เข้าใจผิดแม้ทําความดีไปแล้วร่างกายถึงความอิบัติเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ท่านก็พิจารณาดูแล้วมันต้องเป็นผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวทํามาตะกอนมันมาอาํานวยผลให้อย่างนี้นะอ้วต่อ น, นี้ไปนะับตั้งแต่ชาตินี้ไป เราจะไม่เบียดเบียนใครอธิษฐานใจละเว้นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะส่วนที่มันให้ผลไปกับอดกั้นทนทานสวยผลวิบากกรรมนั่นไปแต่ว่าภ า, ายในจิตใจเราเจริญภาวนาพิจารณาร่างกายสังขาร น, นี่ให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอรตารเลื่อยไปกอนเป็นอรตารนั่นนหะมันจึงบอกไม่ได้ มันจึงบังคับไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายบังคับไม่ได้เลยเพราะมันเป็นอนาตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางตามสภาพถึงเราจะไปบังคับอย่างไรมันก็ไม่ฟังมันไม่อยู่ในอำนาจของสิ่งใดนี่นะเห็นแจ้งชัดด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วก็วางนะวางไว้ตามสภาพของมัน นี่นหละทางที่มันจะพ้นจากกรรมจากเวรได้นะพอเราทำใจอย่างว่านี่นะละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยๆไปยิ่งเรื่องชั่วเรื่องไม่ดีต่างๆเมื่อระลึกได้แล้วอย่างนี้ก็ละเว้นไม่ถือมัน่นพร้อมทั้งละเว้นไม่ทำมันอีกต่อไปส่วนนี้ ส่วนได้ที่ทํามาแล้วก็มันแล้วไปซะอาธิษฐานใจละเว้นขอให้เป็นอโหสิกรรมไปเช่นนี้แล้วกรรมเวีนที่ลุ่มหลงทํามานะมันก็บวบวางไปเพราะว่าใจไม่ชอบกับกรรมกับเวีนมันเป็นทุกข์ก็ต้องทําใจอย่างนี้ทุกคนเกิดมาในโลกนี้ที่จะไม่ได้ทําบาปทํากรรมอะไรเลยนะั่นไม่มีหรอกไม่มากก็น้อยแหละที่ทํามา ดังนั้นต้องภาวนาอธิษฐานใจละมันเลื่อยไปเมื่อเช่นนั้นลวมันจะตามสนองไปเรื่อยๆ เ, เลยเมื่อผู้ใดไม่ละมันนะเขาผู้ใดาภาวนาเพียงละมันไปเรื่อยๆลวมันจะจ ะ, จะมันมันจะไม่ตามไปสนงองเพราะฉะนั้นเนี่ยการภาวนาเนี่ยซึงเือว่าเป็นสิ่งที่ พุฏธาสนาที่ก็ชนทั้งหลายไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤรืหักเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องทาเพราะ ถ, าถ้าเราไม่ภาวนาแล้วบาปจะไม่หนีจากกิจใจนี้เลยอย่าว่าแต่จะได้บรรลุพระนิพพานผู้ใดไม่ไหวพระไม่ภาวนาแล้วทีเด็ดบาปประทำอะไรที่รุมหลงทามันมา สะสมมันมามันก็จะไม่บาบางออกไปจากจิตใจนี้ได้เลยมีแต่พ่อคูนบาปประธรรมกรรมมันชั่วหรือว่ากิเลสตนายนาแน่นขึ้นในใจิตใจเรื่อยไปอบุคคลผู้ไม่ภาวนาเป็นปอย่างนั้นมันเคยยึดเคยถืออย่างไรมันก็ยึดถืออย่างนั้นแหละอยู่เพราะมันไม่มีอุบายสอนใจให้ละนี้ ผู้ภาวนาเนี่ยเมื่อทําใจสงบลงไปแล้ววันนี้เมื่อถ้ามีอุบายปัญญาเกิดขึ้นเมื่อใจสงบลงไปแล้วนะนั่นแหะเรานึกถึงอุบายอันใดไ ด, ได้ก็ใช้อุบายนะั่นสอนจิตตัวเองเข้าไปทุกวันทุกคืนไปจิตนี่มันยังละอะไรไม่ได้เราก็ใช้อุบายปัญญาสอนให้มันละให้มันเห็นโทษให้มันเบือ่อมันนาย อย่างเช่นปรงวางร่างกายสังขารนี่ยังไม่ได้ยังสาคัญเราเป็นเราเป็นของเราอยู่นี่สอนใจนี่ให้ปรงให้วางขันห้านี่ลงไปเมื่อเมื่อรู้แจ้งแล้วปรงวางแล้วก็ต้องสงบจิตอยู่นะในขณะนั้นนะ่ะไม่คิดไปทางไหนจึงเรียกว่าปรงจึงเรียกว่าวาง ถ้าว่าวางแล้วยังคิดยังปรุงแต่งอยู่ไม่ชื่อว่าวางเป็นอย่างนั้นทีแรกแล้วก็คิดเนี่ยสอนจิต้ดยอุบายปัญญาเมื่อจิตมันเห็นแจ้งตามเป็นจริงลงไปแล้ววันนี้ก็ปลงก็ ว, วางได้เลยวางมันก็วางได้จริงๆสิ่งที่มันเคยยึดเคยถือมานั่นแหละพอมันเห็นโทษของมันแล้ว เห็นว่าไม่มีสาระแกนสารอะไรไปยึดของไม่มีสาระนั่นเป็นทุกข์พระนิพพานนั่นเป็นสาระแกนสารบุคคลผู้ปฏิบัติลุกพระนิพพานได้กัลละความยึดถือต่างๆนี่หละได้บรรทึงบรรลุพระนิพพานได้ถ้ายังมีใจเกาะใจคล้องอยู่กับทิ้งใดๆในโลกนี้ไม่ได้นะอืม บรรลุถึงซึ่งพนิพานไม่ได้ถ้าไม่ลกความยึดถือเสียก่อนดังนั้นแหละปัจจุบันนี้นะขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยทุกคนก็ให้ปรงลงไปปรงขันห้าี้ลงให้มันได้แล้วก็สงบจิตอยู่พร้อมด้วยความรู้เท่าตามเป็นจริงต่อไป